บัดนี้จักได้แสดงธรรมะปะทะคาสืบต่อไปจงพากันท้งใจฟังโดยสัจจะเขารบเถิดหัวข้อที่สามยอดนักรบในสงครามประพุทธภาสิตบาลีว่าโยจะคาถาสตังภาเสออนัต t ะ ปัะสันหิตาเอกังธรรมะปะทังเสยโยยังสุตตวาอุปสัมมติโยสหัสสังสหัสเสนสังาเมมนุเสชิเนเอกันจะเฉยมัตตานังสเวสังฆมชุตโมแปลว่าผู้ใดกล่าวคาถาทั้งร้อยแต่ไม่ประกอบด้วยบทอันมีประโยชน์ก็ไม่ประเสริ บทแหงท่งธรรมเพียงบทเดียวที่บุคคลฟังแล้วเข้าไปสงบระงับได้ประเสริฐกว่าผู้ใดชนะมนุษย์ในสงครามพันคูณด้วยพันวงเล็บล้านก็สู้ผู้ชนะตนเองเพียงผู้เดียวไม่ได้ผู้ชนะตนเองนั่นแลชื่อว่าเป็นยอดนักบในสงครามข้อความในช่วงแรกได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรนี้ มีพิเศษอยู่คำเดียวคือคำว่าธรรมบทซึ่งหมายถึงบทแห่งธรรมคือวาจาหรือข้อความอันอิงอาศัยธรรมในคำพีอังคุตรนิกายจตุกนิบาทพระไตรปิฎกเล่มที่21หน้า37ทรงแสดงว่าธรรมบทที่บัณฑิตยกย่องว่าเลิศมีอยู่สีประการคือ 1. อนัพพิชาความไม่โลภในของผู้อื่น ส อ, อัพภยาบาตรความไม่ปองร้ายสสัมมาสติการตั้งสติชอบคือสติปฐานส 4. สัสามมาสมาธิการตั้งสมาธิชอบทั้งสีประการนี้ทรงถือว่าเป็นบทแห่งธรรมเป็นแนวทางแห่งธรรมเป็นทางแห่งความดีคําพูดหรือข้อความที่เป็นธรรมบทอย่างนี้ แม้เพียงคำเดียวก็ประเสริฐกว่าคำพูดที่ไร้ประโยชน์ตั้งร้อยหรือตั้งพันรวมความว่าพูดน้อยแต่มีประโยชน์ดีกว่าพูดมากแต่ไร้ประโยชน์ส่วนข้อความในช่วงที่สองซึ่งกล่าวถึงการชนะตนเองนั้นจะได้พัฒนาต่อไปกล่าวโดยย่ อ, อ ก, ก่อนการชนะตนก็คือชนะกิเลส ท, ที่ทำให้ใจเศร้าหมองการชนะตนที่สูงสุดคือชนะกิเลสโดยสิ้นเชิง กล่าวโดยทั่วไปมีอำนาจครอบงำอันสำคัญอยู่สองอย่างที่ผัดเปลี่ยนกันเข้ามาครอบงาจิตใจของเราคืออำนาจฝ่ายต่ำอย่างหนึ่งอำนาจฝ่ายสูงอย่างหนึ่งเมื่ออำนาจฝ่ายต่ำครอบงำก็ชักนําให้ทำความชั่วต่างๆแล้วแต่ชนิดของอานาจฝ่ายต่านั้นเมื่ออำนาจฝ่ายสูงเข้ามาก็ชักนาให้ประกอบกรรมดีต่างๆ คนส่วนมากรู้ว่าอะไรดีควรทำอะไรชั่วควรเว้นแต่ที่ยังต้องทำชั่วอยู่ก็เพราะสู้อานาจฝ่ายต่าไม่ได้ขณะนั้นมันมีอิทธิพลเหนือจิตใจจึงต้องยอมแพ้คนที่ติดยาเสพติดบางอย่างนั้นจะไม่รู้ก็หาไม่ว่ามันมีโทษแก่ตนอย่างไรแต่เพราะทนต่อการรบเร้าของร่างกายบ้างของจิตใจบ้างไม่ไหว ยอมแพ้มันจึงต้องเสพต่อไปและมีโทษแก่ตนมากขึ้นทุกทีการศึกษาการอบรมก็เพื่อให้มนุษย์รู้จักเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำมากขึ้นและเพิ่มพูนกำลังใจแก่อำนาจฝ่ายสูงมากขึ้นเพื่อจะได้เอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำได้ทุกครั้งเมื่ออำนาจทั้งสองมาพบกันเข้าเมื่อชนะบ่อยเ ข, เข้าก็จะกลายเป็นนิสัย เมื่อพ่อปูนมากขึ้นก็จะไม่มีอำนาจฝ่ายต่ำใดๆมาเอาชนะได้อีกคือพอรู้ว่าอะไรเป็นความชั่วไม่ควรทำก็ละเว้นได้ทุกอย่างอะไรที่ยังละเว้นไม่ได้ก็พยายามลดให้น้อยลงและพยายามละให้สิ้นไปในที่สุดการจะเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งจริงก็เอาชนะได้ทุกอย่าง คนที่พยายามเลิกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเลิกไม่ได้นั้นน่าสงสารมากเพราะทุกครั้งที่เขากระทำลงไปเขารู้สึกว่าเป็นความผิดแต่ต้องกระทำเพราะสู้อำนาจยั่วยวนหรืออาการเร่งร้าทางกายหรือทางใจไม่ได้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการเอาชนะอำนาจฝ่ายตำ่ำหรือชนะตนก็คือการฝึกฝนการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อความ ไม่ประมาทและการบันเทาให้น้อยลงจนหมดสิ้นไปในที่สุดการตามใจตนเองเป็นมูลเหตุสำคัญของความพ่ายแพ้การฝืนใจตนเองให้อยู่ในทางที่ตนปรารถนาเป็นมูลเหตุสำคัญของความชนะการชนะใจตนเองได้ชนะอำนาจฝ่ายต่ําได้ชนะกิเลสได้นั่นแหละทรงถือว่าเป็นชัยชนะอันประเสริฐ ประเสริฐกว่านครบผู้ชนะฆ่าศึกได้เป็นล้านในสงครามพระพุทธภาสิทธนินี้พระาศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบนางกุณธนเกษีมีเรื่องย่อดังนี้กุณธนเกษีเป็นทิดาเศรษฐีเมืองราชครือรูปงามมากขณะ ที่มีอายุได้ 16-17 เจปีกำลังมีใจโลเลไฝฝันเรื่องชายวันหนึ่งยืนอยู่บนปราสาทชั้นที่เจได้เห็นราษุรุษนำโจนคนหนึ่งผ่านหน้าปราสาทมาโจนนั้นถูกเคี่ยนด้วยหวายครั้งละสี่เส้นกำลังถูกนำไปสู่ที่ฆ่าทิดาเศรษฐีเห็นแล้วมีจิตปฏิพัตปรารถนาได้โจนนั้นมาเป็นสามีจึงยอมอดอาหารนอนบนเตียงน้อยอันมีสิริของตน เมื่อมารดาบิดาถามก็บอกความจริงว่าถ้าได้โจรคนนั้นมาเป็นสามีก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าไม่ได้ก็จะยอมตายมารดาบิดาพยายามอ้างเหตุผลสักเท่าไหร่เพื่อให้คลายความพอใจในโจร น, นั้นแต่นางก็หายอมไม่คงยืนยันว่าถ้าไม่ได้โจรมาเป็นสามีก็จะไม่ยอมมีชายอื่นในชาตินี้ในที่สุดมารดาบิดาก็ยอมแพ้ ให้คนเอาเงินพันหนึง่งไปซื้อโจรนั้นมาจากราชบุรุษราชบุรุษรับเงินไว้แล้วปล่อยโจรนั้นไปแล้วค่าคนอื่นแทนเมื่อได้โจรมาเป็นสามีสมใจอยากแล้วนางก็ได้ปรนนิบัติอย่างดีให้อาหารเครื่องประดับตกแต่งอย่างดีแต่ถึงกระนั้นโจรก็คงเป็นโจรนิสัยอันลามกของโจรไม่ใช่จะชำระล้างได้โดยง่ายเหมือนล้างผักล้างปลา มันเกาะแน่นและคอยจะกระตุ้นเร่งเร้าให้น้มเอียงไปในทางชั่วอยู่เสมออุปมาเหมือนสุกรพอใจในอาจมจะแก้อย่างไรก็ายากดังนั้นโดยล่วงไปเพียงสองสามวันเท่านั้นโจรคิดว่าเมื่อไรนอเราจะมีโอกาสฆ่าหญิงนี้เสียแล้วยึดเอาเครื่องประดับไปขายกินและดื่มโซราให้ชุ่มใจอานิจจาความหวังดีความรักของนางที่มอบไว้ในมือโจร ช่างไม่มีค่าเสียเลยความเสียสละของนางได้รับการตอบแทนด้วยการคิดคดทรยศการทําความดีกับผลซามมักมีผลอย่างนี้เสมอเหมือนช่วยงูเห่าให้หายหนาวพอมีกําลังมันก็ฉกคนช่วยเหลือให้ปางตายหรือถึงตายจะโทษใครเล่าการสงเคราะห์คนที่ไม่ควรสงเคราะห์การเลี้ยงการช่วยเหลือคนบางคนมีผลเท่ากับเลี้ยงผี มันจะไม่ทําอันตรายตราบเท่าที่ยังเลี้ยงอุปการะมันอยู่แต่เมื่อเผลอหรือหยุดเลี้ยงดูอุปการะเมื่อใดเมื่อนั้นมันก็ทําอันตรายมันหาได้ย้อนหลังนึกถึงอุปการะแต่เก่าก่อนไม่ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้สงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์ลงโทษคนที่ควรลงโทษและวางเฉยต่อคนที่ควรวางเฉยโจรคิดวางแผนฆ่าทิดาเศรษฐีอยู่หลายวันในที่สุดก็คิดอุบายอย่างหนึ่งได้ จึงทำนอนอย่างไม่มีอะไรในชีวิตที่ดาเศรษฐีเข้าไปถามจึงบอกว่าเมื่อวันที่ฉันถูกนำไปฆ่านั้นฉันผ่านภูเขาลูกหนึ่งมาในบนบานต่อเทพผู้สิงสถิตอยู่ณนภะูเขาลูกนั้นหากฉันรอดชีวิตมาได้จะทำพรีกรรมแก่เทพให้โอรานอันหนึ่งแม้ตัวเธอเองฉันก็คงได้ด้วยอนุภาพแห่งเทพนั้นฉันตั้งพลีกรรมไว้แก่เทพบนบานไว้แก่เทพ ยังไม่ได้แก้บนนั้นฉันไม่สบายใจทิดาเศรษฐีจึงเตรียมพรีกรรมเท่าที่สามีต้องการมีข้าวมะทุ ป, ปายาตและข้าวตอกดอกไม้เป็นต้นเสร็จแล้วออกเดินทางไปยังภูเขาลูกนั้นวงเล็บภูเขาทิ้งโจรโจรขอร้องให้ทิดาเศรษฐีแต่งกายด้วยเสื้อผ้าและอาพร อ, อันมีค่าราคาแพงเป็นพิเศษเพราะไปบูชาเทวดาเป็นการให้เกียรติแก่เทวดา อันหนึ่งญาติพี่น้องของนางไม่จําเป็นต้องไปนางได้ทําตามนั้นเมื่อไปถึงเชิงเขาโจนได้ขอร้องให้คนที่ถือของกลับไปหมดพร้อมทั้งยานพาหนะเขาสองคนสามีภรรยาจากถือของบูชาขึ้นไปเองทิดาเศรษฐีก็ตามใจทั้งสองขึ้นไปถึงยอดภูเขาภูเขานั้นมีนามว่าภูเขาทิ้งโจน เพราะคนทั้งหลายจับโจรได้แล้วนำไปทิ้งที่ภูเขาลูกนั้นมันโกรกชันโจรที่ถูกทิ้งลงแล้วแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อถึงยอดเขานางได้อ้อนวอนให้สามีทำปรีกรรมถึงสองครั้งแต่โจรก็เฉยเสียพอครั้งที่สามโจรจึงบอกว่าฉันนำเธอมาที่นี่เพื่อทำพรีกรรมก็หาไม่ถ้าอย่างนั้นนาฉันมาเพื่อเหตุใดฉันต้องการฆ่าเธอเพื่ออะไรคะ นางถามอย่างพิศวงเพื่อเอาเครื่องประดับของเธอเอาไปทำไมเอาไปกินเหล้าเที่ยวและทำทุกอย่างที่ฉันเคยทำอยู่กับเธอฉันไม่มีความสุขเลยบอกจริงๆโจรบอกความจริงใจก็ทั้งตัวฉันของของฉันทุกอย่างเป็นของท่านหมดแล้วท่านจะทำอย่างไรก็ได้ทำไมจะต้องฆ่าฉันด้วยท่านเอาเครื่องประดับไปให้หมดแล้วปล่อยฉันกลับบ้านไม่พอหรือ เธอคิดว่าฉันจะโง่นักหรือแม่โสมงามฉันปล่อยเธอไปเธอก็ไปบอกพ่อแม่ญาติพี่น้องเรื่องก็ถึงตำรวจในที่สุดฉันก็ต้องถูกจับไปฆ่าอีกคราวนี้เธอคงไม่ให้คนไปซื้อฉันมาอีกรอกท่านไม่ได้นึกถึงความดีน้ำจิตน้ำใจของฉันที่เคยมีต่อท่านมาบ้างเลยหรือท่านจึงยืนยันแต่จะฆ่าฉัน พูดไปแล้วนางต้องพิศวงเป็นอันมากเมื่อเห็นโจรหัวเราะเสียงกล้องฟ้าแทนการระลึกถึงความดีของนางเข้าหัวเรา ะ, ะเยาะเยะ้ยความดีน้ําจิตน้ําใจโจรทวนคําพร้อมด้วยอาการหัวเราะอย่างเย้ยหยันเสียงนั้นเสียดลึกลงไปในหัวใจอันบอบบางของธิดาเศรษฐีเธอให้ซื้อสันมาเพราะเธอต้องการความสุขของเธอเองหาใช่เพื่อความสุขของฉันไม่ เธอจะตายถ้าไม่ได้ฉันความสุขที่ฉันให้แก่เธอยังไม่คุ้มค่าเงินของเธออีกหรือเขาเห็นที่ดาเสถียีเป็นคนใจง่ายความรักของคนใจง่ายไม่มีคุณค่าอะไรเลยลังแต่จะถูกยามหยันเธอเพียงแต่เห็นฉันครั้งเดียวเท่านั้นก็รักฉันเสียแล้วเจียนตายฉันจะอยู่ร่วมกับเธอได้อย่างไรต่อไปภายหน้าฉันไม่รู้ว่าเธอจะเห็นใครเหมือนที่เคยเห็นฉันมาแล้วอีกหญิงใจง่ายฉันไม่ไว้ใจเธออีกแล้ว ฟังเอาไว้ลูกผู้หญิงรีบเรื่องอาพรออกเถิดอย่าพิรีพิไรอยู่เลยโจรพูดต่อไปเธอจะรอดชีวิตไปไม่ได้เป็นอันขาดเธอต้องตายในวันนี้เมื่อมรณะภัยคุกขามหนักเข้ากุลทนเกสีจึงรวบรวมกำลังใจทั้งหมดเผชิญหน้ากับความตายนางคิดได้ว่าปัญญามิได้มีไว้เพื่อต้มแกงกิน แต่ความจริงมีไว้เพื่อพิจารณาเหตุผลเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ตนปลอดภัยปฏิพานแวบขึ้นมาในห้วงคิดนางจึงกล่าวว่าการที่ฉันจะเห็นท่านและท่านจะเห็นฉันนับว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วขอให้ฉันได้เห็นท่านอย่างชัดเจนและขอให้ได้ไหว้ท่านทั้งสี่ด้านคือเบื้องหน้าเบื้องหลังและข้างทั้งสองเถิดโจรยอมตาม ยืนตระงานอยู่บนเงื้อมผาที่ทิ้งโจร น, นางทำประทักษิณคือเวียนขวาแสดงความเคารพสามรอบและไหว้ทั้งสี่ด้านแล้วกล่าววาจาอ่อนหวานว่าการเห็นกันระหว่างเราทั้งสองเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกรรมใดที่เคยล่วงเกินขอให้อโหสิกรรมนั้นแก่ฉันด้วยแล้วสวมกอดข้างหน้าข้างหลังขณะโจรกาลังเผลอตัวนั่นเองนางผักอย่างแรง โจรลอยริ้วลงก้นเหวแหลกละเอียดเทพผู้สถิตยอยู่นยอดเขานั้นเห็นกรรมของคนทั้งสองโดยตลอดได้สาธุการแก่ทิดาเศรษฐีว่าชายฉลาดในที่ทุกสถานก็หาไม่แม้หญิงผู้รู้จักใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์ก็จัดเป็นผู้ฉลาดได้เหมือนกันทิดาเศรษฐีผลโจรลงเหวแล้วคิดว่าหากเราจะกลับบ้านคนเดียวมารดาบิดาก็จะถามถึงสามี เมื่อบอกท่านว่าเราได้ผลักลงเหวเสียแล้วท่านก็จะดุด่าเราว่าหัวดื้อห้ามเท่าไหร่ไม่ฟังพอใจสมาคมกับโจรเสียทรัพย์นับจํานวนพันได้โจรมาเป็นสามีแล้วก็ฆ่าเขาเสียแม้เราจะบอกว่าเขาพยายามฆ่าเราเพื่อเอาเครื่องประดับใครเล่าจะาเชื่อการกลับบ้านของเรามีแต่ผลเสียอยากกลับเลยนางคิดดังนี้แล้วทิ้งเครื่องประดับไวนะ้ณที่นั้นเข้าไปในป่าพบอาสม ของปริพาชกแห่งหนึ่งขอบวชกับปริพาชกขณะนั้นเมื่อบวชแล้วได้ถามปริพาชกว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งบรรพชาของพวกท่านปริพาชกตอบว่านางผู้เจริญการบริกรรมในกสินสิบแล้วทำฌานให้เกิดขึ้นหรือการเรียนวาทพันหนึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งการบรรพชาของพวกเรานางขอเรียนวาทพันหนึ่ง เมื่อเห็นว่านางเรียนจบแล้วปริภาชกผู้อาจารย์ได้กล่าวกับนางว่านางผู้เจริญบัดนี้ท่านได้เรียนวาทะพันหนึ่งจบแล้วจงเที่ยวไปในชมพูทวีปแสวงหาผู้ที่สามารถโต้ตอบปัญหากับท่านได้หากผู้นั้นเป็นครือขัดก็จงยอมเป็นบาทบริจาริกาแห่งเขาถ้าเป็นบรรพชิตก็จงยอมเป็นสิทธ์บวชในสำนักแห่งเขาดังนี้แล้วได้มอบกิ่งว่าให้ถือเป็นสั ญ, ญลักษณ์ นางจึงได้นามว่าชัมพุปริภาชิกานางได้เที่ยวไปในบ้านตำบล น, นิคมและราชธานีต่างๆถามปัญหากับคนที่ได้ประสบพบเห็นแต่ไม่มีใครสามารถแก้ปัญหาของนางได้คนทั้งหลายพอได้ยินว่าชัมพุปริภาชิกามาแล้วก็เลี่ยงหนีเมื่อไปถึงตำบลใดนางได้ปักกิ่งว่าไว้บนกองทรายหรือเนินดินใกล้ประตูหมู่บ้านแล้วประกาศว่า ใครสามารถโต้อตอบปัญหากับนางได้ให้เหยียบกิ่งว่านั้นแล้วเข้าไปพิกขาจานในหมู่บ้านใครๆที่กล้าโต้อตอบปัญหามิได้มีเมื่อกิ่งว่าเก่าเหี่ยวแห้งนางก็หากิ่งว่าอื่นถือเป็นสัญลักษณ์ต่อไปนางทำอยู่อย่างนี้จนลุถึงเมืองสาวสถีโดยลำดับปักกิ่งว่าไว้หน้าเมืองแล้วประกาศเหมือนก่อนพวกเด็กเห็นเป็นเรื่องประหลาดยืนล้อมกิ่งว่าอยู่ พระสารีบุตรเที่ยวบินธบาตในเมืองชันอาหารเสร็จแล้วออกมาเห็นพวกเด็กยืนล้อมกิ่งว่าอยู่จึงถามทราบความแล้วสั่งให้เด็กเหยียบกิ่งว่าในความรับผิดชอบของท่านเด็กพวกนั้นเชื่อพระเถระจึงเหยียบแล้วโหว ร, ร้องโปรยธุลีเป็นที่สนุกสนานชัมพูปริภาชิกาออกมาดุเด็กว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนทาไมจึงเหยียบกิ่งว่าพวกเด็กบอกว่าพระสารีบุตรใช้ให้ทำ นางจึงถามพระสารีบุตรว่าที่เด็กอ้างถึงนั้นเป็นความจริงหรือจริงน้องหญิงถ้าอย่างนั้นท่านจงกล่าวปัญหากับข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีและพร้อมแล้วพระเถระกล่าวท่านมีปัญหาใดาโปรด ถ, ถามมาเถิดนางได้นัดหมายว่าจะไปสู่สำนักของพระเถระในเวลาบ่ายที่เลื่อนเวลาไปก็เพื่อประกาศให้คนทั้งหลายทราบจักได้มีคนไปฟังการโต้อตอบปัญหาครั้งนี้มาก ทัวเมืองสาวัถฏหรือกระชอนพอเวลาบ่ายชาวเมืองได้ไปกับนางชัมผู้ปริภาชิกาไปสู่สำนักของพระเถระนางได้ถามปัญหาเกี่ยวกับวาทะพันหนึ่งวงเล็บสหัสสวาทะกับพระเถระพระเถระตอบปัญหาได้ทุกข้อวงเล็บนางอาจไม่รู้ว่าพระสารีบุตรเคยบวชเป็นปริภาชกมาก่อนเหมือนกันแคล่วคล่องชำนาญในคําสอนหรือละทิของปริภาชกเป็นมือชั้นครูทีเดียว ท่านมีปัญหาเท่านี้หรือพระเถระถามในที่สุดมีเท่านี้ท่านผู้เจริญนางตอบหากข้าพเจ้าจะถามท่านบ้างท่านจะตอบหรือไม่เชิญถามเถิดพระกุณเจ้าพระเถระถามปัญหาง่ายๆว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งนางตอบปัญหาไม่ได้ขอให้พระเถระเฉลยพระเถระจึงเฉลยว่าพุทธมนต์ขอท่านจงบอกพุทธมนต์แก่ข้าพเจ้าบ้าง ถ้าท่านบวชก็จะบอกให้ถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดให้ข้าพเจ้าบวชเถิดพระเถระให้นางบวชในสำนักของภิกษุณีทั้งหลายนางได้นามว่ากุลธนเกษีเถรีได้บรารลุพระอรตะผลโดยเวลาล่วงไปสองสามวันเท่านั้นคนมีปัญญาดีอยู่แล้วทำอะไรก็สำเร็จเร็ววันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าการฟังธรรมของกุลฑนเกสีเถรีมีไม่มาก กิจแห่งบรรพาชิตของนางได้ถึงที่สุดแล้วบรรลุอรหัตผลแล้วได้ทราบมาว่านางได้ทำสงครามกับโจรคนหนึ่งชนะมาแล้วพระาศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้นับธรรมที่เราแสดงแล้วว่าน้อยหรือมากบทที่ไม่มีประโยชน์แม้ตั้งร้อยก็ไม่ประเสริฐบทเดียวที่มีประโยชน์ ประเสริฐกว่าอันหนึ่งบุคคลชนะโจรเป็นต้นหาชื่อว่าชนะไม่คนใดชนะใจคือโจรภายในหรือกิเลสภายในนั่นแหละชื่อว่าชนะแท้พระาศาสดาทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าผู้ใดกล่าวคาถาตั้งร้อยเป็นต้นผู้ใดชนะมนุษย์ในสงครามตั้งล้านเป็นอาทิมีไนยะดังพรนามาแล้วแต่ต้น 4. ความชนะที่ไม่กลับแพ้ อ, อีก พระพุทธภาษิตอตตาหาเวชิตังไสยโยยาจายังอิตราปรชาอตตะทันตัสสะโปสัสสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโณนขันทภโณนะมาโรสหพรหมุนาชิตังอปชิตังกยิราตถารูปัสสะฉันตุโน แปลว่าการชนะตนนั้นแหละประเสริฐกว่าชนะคนอื่นไม่ประเสริฐเท่าความชนะของคนที่ฝึกตนดีแล้วประพฤติสารวมอยู่เป็นนิดนั้นเทวดาคนพันมารพรมก็ทำให้กลับแพ้ไม่ได้วงเล็บคือเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดการชนะตนได้อธิบายมาพอสมควรแล้วในเรื่องที่สในที่นี้จะขอกล่าวถึงการฝึกตนและการสารวมตนเป็นนิดพอสังเขป การฝึกตนหมายถึงการฝึกกายวาจาใจของตนให้อยู่ในกุศลกรรมบทคือทางแห่งความดีอยู่เสมอทางกายฝึกให้เว้นจากทุจริตทางกายเช่นการทำร้ายร่างกายกันการลักขโมยการประพฤติผิดในการเป็นตน้นฝึกให้เว้นจากกิริยาสามต่างๆที่สังคมรังเกียจให้อยู่ในลักษณะเรียบร้อยจะเดินลุกนั่งยืนอยู่ในท่าหรือกิริยาที่งาม เห็นแล้วน่ารักน่าเลื่อมใสจะหยิบของวางของก็ไม่ซุ่มซ่ามให้สะเพพ้าเมื่อรับประทานอาหารก็เรียบร้อยจานช้อนสะอาดไม่รับประทานให้เปรอะถ้าจําเป็นต้องใช้มือรับประทานก็ล้างจนสะอาดและใช้เพียงปลายนิ้วหยิบคาข้าวไม่ให้ข้าวหรือแกงเปรอะไปถึงโคนนิ้วไม่ใช้มือเปื้อนหยิบภาชนะน้ำและระวังไม่รับประทานให้มีเสียงดังจับจับ ไม่ให้เมล็ดข้าวหล่นจากปากขณะรับประทานและไม่พูดขณะมีคำข้าวอยู่ในปากเม็ดข้าวอาจจะกระเด็นถูกหน้าคนอื่นแม้ไม่เป็นอย่างนั้นคนอื่นมองเห็นคำข้าวในปากขณะพูดก็ดูน่าเกลียดความหมายให้ความหมายเพิ่มเติมนอกจากนี้เคยมีตัวอย่างว่ามีเม็ดข้าวลงไปในหลอดลมช่วยไม่ทันถึงตายก็มีอยู่ทําคําข้าวให้ดีก่อนแล้วจึงส่งเข้าปากเคี้ยวอย่างระมัดระวัง เผื่อมีก้อนกรวดหรือก้างปลาจะได้นาออกได้ไม่เคลื่อนไหวกายโดยไม่จาเป็นเช่นนั่งกระดิกขาวงเล็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้าผู้ใหญ่แม้การนั่งไขว่ห้างวงเล็บเอาขาซ้อนกันก็ต้องระวังให้รู้จักที่รู้จักบุคคลไม่ยืนคำศีรษะผู้ใหญ่ไม่นอนบนที่นอนของผู้อื่นโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ไม่ถูกเนื้อต้องตัวที่ไม่สนิทสนมไม่ประพฤติกับผู้ใหญ่วงเล็บในบางอย่างทำนองเดียวกับที่ผู้ใหญ่ประพฤติต่อตนเช่นผู้ใหญ่อาจโอบไหลผู้น้อยได้ด้วยความรักใครสนิทสนมแต่ผู้น้อยจะทําเช่นนั้นกับท่านไม่ได้ผู้ใหญ่รูปศีรษะผู้น้อยได้ด้วยเมตตากรุณาแต่ผู้น้อยจะกระทาเช่นนั้นกับผู้ใหญ่ไม่ได้ พยายามศึกษาสำเหนียกว่าอะไรตนควรทำและไม่ควรทำยังมีเรื่องอื่นๆ อ, อีกมากพูดไว้เพียงย่อๆเท่านี้ทำอย่างนี้ได้เรียกว่าฝึกกายให้งามอีกอย่างหนึ่งร่างกายและเสื้อผ้าจะต้องอยู่ในลักษณะที่สะอาดอยู่เสมอถ้าไว้เล็บยาวก็มันแค ข, ขี้เล็บออกไม่ให้มีขี้เล็บติดดำอยู่ดูน่าเกลียด การฝึกวาจาการพูดเป็นการแสดงถึงหลายอย่างในตัวคนเช่นแสดงถึงนิสัยอุปนิสัยอัธยาศัยและการศึกษาอบรมนิสัยคือการกระทำจนเคยชินคนที่พูดคําอย่างใดมาจนเคยชินแล้วย่อมพูดคําอย่างนั้นได้ง่ายอุปนิสัยคือความโน้มเอียงคนที่มีความโน้มเอียงไปอย่างใดย่อมชอบพูดถึงเรื่องนั้นอยู่เสมอรู้สึกมีความสุขที่ได้พูดเรื่องอย่างนั้น อัธยาศัยคือความหยาบหรือความประนีตของจิตใจพื้นเพของจิตใจคนมีอัธยาศัยหยาบชอบทําอะไรหยาบพูดหยาบคนมีอัธยาศัยประณีตทําอะไรประณีตพูดไม่หยาบการศึกษาอบรมคือการได้เรียนรู้และได้เห็นผลของการปฏิบัติตามความรู้นั้นการเรียนรู้อย่างเดียวยังไม่เคยได้ปฏิบัติตามให้เห็นผลเรียกว่าการศึกษาได้ทั้งการเรียนรู้และการปฏิบัติ ตามจนเห็นผลเรียกว่าการศึกษาอบรมมีแต่การอบรมอย่างเดียวดีกว่าการศึกษาที่ขาดการอบรมเพราะการอบรมเป็นทั้งการศึกษาและการอบรมอยู่ในตัวด้วยเหตุที่วาจาเป็นเครื่องสอหลายอย่างในตัวคนดังกล่าวมานี้จึงควรฝึกวาจาให้ดีให้งามพระพุทธองค์ทรงสอนให้ละเว้นวจีทุจริตคือพูดเ ท, ท็จพูดส่อเสียดพูดคาหยาบพูดเพอเจอเร์เหลวไหล แล้วประกอบตนอยู่ในวจีสุจริตคือพูดจริงพูดอ่อนหวานพูดสมานสามัคคีและพูดมีประโยชน์นอกจากนี้ควรรู้จักการที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดบุคคลเช่นใดควรใช้วาจาเช่นใดในสมาคมใดควรพูดอย่างไรไม่พูดอวดตนจนเกินงามไม่พูดข่มผู้อื่นโดยไม่มีเหตุเพียงพอไม่พูดชวนทะเลาะวิวาทไม่พูดเสียงดังเกินควรในขณะรับประทานอาหาร หรือพูดเสียงดังจนเป็นที่รบกวนผู้อื่นที่ต้องการความสงบไม่พูดวาจาเยาะเย้ะยะถากถางตัว น, นี้เมื่อวานนี้ไปที่กรุงเทพแล้มีเหตุเกิดขึ้นเข้ากับตรงนี้พอดีเลย clear. ว่าพูดเสียงดังจนเป็นที่รบกวนผู้อื่นหรือทําเสียงดังแก่ผู้อื่นที่ต้องการความสงบ cat. ว่าในเครื่องบินการบินไทยบินไปจีน คนหนึ่งก็พักเี่คนหนึ่งก็กินข้าวเขาว่าเสิร์ฟข้าวนะคนกินข้าวก็ทำเสียงดังหน่คนนอนก็ลำคาญปวดลำคาญนทนไม่ได้นี่เดยมีปากมีเสียงทะเลาะกันต่อยกันแทงกันอยู่บนเครื่องบินเมื่อวานนี้เองเห็นไหมนี่จริงๆแล้วมันกเออ็เราเดินทางไม่ได้อยู่บ้านเนาะมันก็คงจะ จะโทษก็โทษทั้งสองได้เหมือนกันคนหนึ่งก็น่าจะเกรงใจกันหน่อยคนหนึ่งกำลังนอนอยู่ต่างคนต่างไม่มีธรรมเนาะฟังแล้วก็เออสลดใจเนี่ยผลของการที่ไม่ได้อบรมก็เลย ข, ขาดความอดทนขาดความรู้จักคน ไ, ไม่รู้จักใจเขาใจเราเธรมรมะจึงเป็นสิ่งที่จําเป็น ไม่พูดวาจาเยาะเย้ยถากฐางหรือเสียดสีผู้อื่นให้เจ็บอายในที่สาธารณะชนไม่พูดขณะมีคำข้าวอยู่ในปากถ้าจำเป็นต้องพูดก็เอามือปิดปากไว้ไม่ให้คนอื่นเห็นคาข้าวในปากไม่พูดดูหมิ่นใครว่าสู้ตนไม่ได้ไม่พูดยกย่องคนที่ควรตำหนิและไม่พูดตำหนิคนที่ควรยกย่องไม่พูดเลวไหลจนไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคาไม่พูดตาหนิมิตรแท้ หรือเพื่อนรักของตนให้ใครฟังไม่ด่าว่ามารดาบิดาในเชิงประจานความชั่วให้คนอื่นเห็นไม่พูดเรื่องโสโครกสกปรกในวงอาหารไม่นำเรื่องการได้เสียหลับนอนกับหญิงคนรักของตนมาเปิดเผยให้ใครทราบไม่พูดคำหยาบโลนถ้าจำเป็นต้องพูดก็เลี่ยงหาคำอื่นแทน น, นี้เป็นสมบัติผู้ดีนะถ้าเราไป สมัยก่อนหรือสมัยนี้ก็คงจะมีเยเวลาเขาจะเข้าไปทำงานในวันจะต้องเรียนสมบัติผู้ดีในเรื่องกิริยาในเรื่องคำพูดเนี่ยอันนี้ก็จัดอยู่ในนั้นทั้งนั้นเลยซึ่งสิ่งนี้ก็มาจากพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนโดยเฉพาะในหมวดเซกิยาวัตรส่วนหนึ่งแล้วก็รายละเอียดนอกเหนือจากนั้นก็มีเยอะที่พระองค์ทรงประทานโอวาทไว้ ในทางตรงข้ามควรพูดถ่อมตนถ้าจําเป็นต้องอ้างถึงคุณของตนบ้างเพราะพูดแต่พอ ง, งามและควรตั้งจิตมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟังว่าด้วยการพูดอย่างนี้เขาจะได้สติในตัวอย่างที่ดีเช่นที่พระพุทธเจ้าทรงกระทํำควรพูดยกย่องให้เกียรติผู้อื่นตามควรแก่คุณธรรมความดีหรือความสามารถของเขาทั้งต่อหน้าและรับหลัง ควรพูดคำอันก่อให้เกิดความสนิทสนมรักใคร่สามคัคคีมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตพูดเสียงพอประมาณในขณะรับประทานอาหารวงเล็บถ้าจำเป็นต้องพูดไม่ทำเสียงรบกวนคนใกล้เคียงพูดให้ผู้อื่นมีความภาคภูมิใจในตัวเองให้มีกำลังใจในการละเว้นความชั่วประพฤติความดีพูดยกย่องคนที่ควรยกย่องตาหนิคนที่ควรตาหนิ พูดจะมีเหตุมีผลมีหลักฐานเป็นที่เชื่อถือได้พูดยกย่องคุณของมิตรหรือเพื่อนรักให้ปรากฏแก่ผู้อื่นยกย่องสนสับสนุนพระคุณของมารดาบิดาและผู้มีพระคุณอื่นๆเท่าที่พอจะหาได้มีปกติประกาศเกียรติคุณแห่งผู้มีอุปการะต่อตนพูดด้วยดวงจิตมีเมตตาการาุณาพูดด้วยความจริงใจด้วยการไม่ดูหมิ่นผู้อื่นว่ารู้ไม่เท่าตน วงเล็บการพูดด้วยไม่จริงใจนั้นเป็นการดูหมิ่นผู้อื่นว่ารู้ไม่เท่าตนเมื่อเขาจับได้ภายหลังก็หมดความเชื่อถือบางคนบุคลิกดีแต่พูดจามไม่มีเสน่ห์เลยบางคนบุคลิกไม่สู้ดีนักแต่ใครได้ฟังพูดก็อดรักไม่ได้น้ำเสียงของเขานุ่มนวลประโยคคำพูดสลวย ออกมาจากน้ำใจที่งามด้วยเมตตาปราณีถ้าเป็นเด็กก็น่ารักเป็นผู้ใหญ่ก็น่าเคารพนับถือคำพูดของสุนทรผู้ที่ว่าอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายนั้นยังเป็นความจริงอยู่เสมอแต่ต้องออกมาจากใจจริงดังกล่าวมานี้เป็นการฝึกวาจาให้งามการฝึกใจใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นส่วนบังคับบัญชากายและวาจา พระพุทธภาษิตมีอยู่ว่าถ้าใจสงบกายวาจาก็สงบด้วยและว่าใจเป็นหัวหน้าเป็นประธานถ้าใจผ่องใสใจดีการทําการพูดก็ดีตามถ้าใจไม่ผ่องใสขุ่นมัวการทําการพูดก็ชั่วตามเหมือนเงาตามตัวดังนี้เป็นต้นการฝึกใจมีจุดมุ่งไปที่ความสะอาดสว่างและสงบคือทําใจให้สะอาดสว่างและสงบ ใจย่อมสะอาดด้วยศีลสงบด้วยสมาธิและสว่างด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นจึงต้องอบรมศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นศีล น, นั้นคือการงดเว้นจากการเบียดเบียนทางกายทางวาจาทำกายให้เรียบร้อยวาจาให้สะอาดตามระยะที่ปรนนามาแล้วในเรื่องการฝึกกายและวาจาสมาธิคือการทาใจให้สงบให้แน่วแน่อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ให้วกแวก พุงซ่านมีอุปการะต่อการทำงานทั่วไปเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาปัญญาคืออาการที่ดวงจิตสว่างสวด้วยเหตุผลมีลักษณะแทงทะลุเหตุการณ์และปัญหาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาชีวิตกล่าวให้กว้างออกไปควรฝึกใจให้มีเมตตากรุณาต่อบุคคลและสัตว์ทั้งปวงให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคมปราศจากความริษยาพยาบาท มีความสุจริตใจบริสุทธิ์ใจต่อผู้อื่นใครค้อหาสมาคมด้วยก็เย็นใจมีความสุขแช่มชื่นฝึกใจให้มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวฝึกใจให้คุ้นอยู่กับความดีห่างเหินความชั่วไม่ให้ใจขาดแคลนความดีคนไม่มีความดีในตนที่จะพอยกขึ้นอ้างได้ว่ามีดีทางใดบ้างนั้นพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโมคะบุรุษ แปลว่าคนว่างเปล่าจากคุณธรรมเพราะฉะนั้นควรจะต้องบรรทุกความดีเข้าไว้ยิ่งบรรทุกความดีมากเท่าใดยิ่งเบากายเบาใจมากเท่านั้นเป็นต้นนอกจากนี้ควรฝึกใจให้มีความกตัญญูรู้คุณของท่านผู้มีคุณไม่ลบหลู่คุณท่านการลบหลู่คุณท่านเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นคนเลวการรู้คุณตอบแทนคุณเป็นภูมิธรรม ของคนดีคนมีใจสูงนักปราดย่อมตัดสินคนว่าดีหรือเลวด้วยภูมิธรรมนี้กล่าวอย่างสูงการฝึกใจในสมถะและวิปัสสนาเพื่อนำตนให้พ้นไปจากโลกอันยุ่งเหยิงนี้เป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมลงในคำว่าการฝึกตนในมนุษย์ด้วยกันคนที่ฝึกตนได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดทันโตเศธโถมนุษย์เสสุ สมควรฝึกผู้อื่นและจะฝึกได้ดีอย่างเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกผู้มีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งบรรพชิตและครืหัดแม้จะเป็นบรรพชิตแต่ยังไม่ได้ฝึกตนก็ไม่ควรฝึกผู้อื่นกล่าวสอนผู้อื่นการสอนด้วยตำราโดยไม่ได้มีประสบการณ์ทางจิตด้วยตนเองนั้นไม่ก่อให้เกิดผลอย่างใดแก่ผู้ฟัง หรือผู้ได้รับการแนะนำเป็นทำนองคนผอมโฆษณาขายยาอ้วนคนศีรษะล้านโฆษณาขายยาปลูกผมคนโกงกล่าวทรรมเรื่องสุจริตเป็นต้นบุคคลที่ฝึกตนได้แล้วการทำการพูดและความคิดและความคิดเห็นของเขาย่อมเป็นบทสอนคนอื่นอยู่ในตัวแม้เขาจะไม่ได้ตั้งใจสอนสอนโดยการทำให้ดูมีผลยิ่งกว่าการสอนเพียงแต่ปาก เพราะโดยปกติตัวอย่างที่บุคคลได้เห็นนั้นย่อมเด่นชัดกว่าคำสอนเสมอได้พูดเรื่องการฝึกตนมาพอสมควรแล้วต่อไปนี้จะพูดเรื่องการสัมรวมตนในพระบาลีว่านิจังสัญยะตาจาริโนคือประพฤติสัมรวมตนเป็นนิจสัพธรรมะใช้คำนามว่าสัญญะความสัมรวมตีความว่าการระวังตนให้อยู่ในกรอบแห่งความดี ลักษณะแห่งผู้สำรวมตนพึงทราบได้ดังต่อไปนี้ 1. ไม่ขนองกายหรือวาจาคิดก่อนทำก่อนพูดไม่ให้อาการทางกายหรือทางวาจาของตนไปก่อความเดือดร้อนลำคาญแก่ผู้อื่น 2. มีปกติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่วางตนพอประมาณต่อมิตรสหายมีอาการกรุณาปรานีต่อผู้น้อยเห็นใจผู้ทุกข์ยากไม่ซ้ำเติมคนพลาด 3. ไม่แสดงกิริยาไพร่ให้ปรากฏออกมาทางกายหรือวาจาเช่นการด่าทอกันด้วยคำหยาิการประหัตประหารกันด้วยเหตุอันไม่สมควร 4. การสัมรวมตนอย่างสูงคือการสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายพอใจหรือเสียใจในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสควบคุมตนให้อยู่ในขันติโสรัจจะมีความเชื่อมซื่นสง่างาม อยู่ได้ธรรมคือขันติโสระจะั้นไม่ปล่อยตนให้ตกไปอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาลามกประคับประคองตนให้อยู่ในกรอบแห่งธรรมบุคคลผู้มีลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้สำรวมตนผู้ชนะตนฝึกตนและสำรวมตนอย่างนี้ชื่อว่าได้รับชัยชนะที่ไม่กลับแพ้อีกเพราะชนะกิเลสอันเป็นโจรและเป็นฆาสึกอันร้ายกาดที่สุดในชีวิตมนุษย์ เรื่องนี้พระศาสดาทรงสแสดงขณะที่ประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปราบรพราหมณ์คนหนึ่งชื่ออนัตถุปชะกะวงเล็บผู้ถามปัญหาเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์มีเรื่องย่อ ด, ดังนี้พราหมณ์คนนี้คิดว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบเฉพาะเรื่องที่มีประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นหรือทรงทราบแม้เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วยเหมือนกันจึงเข้าไปเฝ้าทูลถามข้อสงสัยนั้น พระศาสดาตรัสตอบว่าทรงทราบทั้งสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์พราหมณ์ขอให้ตัดบอกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนพรามหมณ์6ประการต่อไปนี้ไม่มีประโยชน์ใครประพฤติเข้ามีแต่ความเสื่อมความวิบัติคือ 1. การนอนตื่นสายเกิน 2. ความเกียจคร้าน 3. ความดุร้าย4 การนอนมากห้าการเดินทางไกลคนเดียวหกการควบหาภรรยาของผู้อื่นพราหม์ท่านลองประพฤติดูเถิดสิ่งไม่มีประโยชน์จะเกิดขึ้นแก่ท่านพราหม์ฟังแล้วพอใจยอมรับว่าพระศาสดาทรงทราบทั้งสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์พระศาสดาตรัสถามพรามว่าประกอบอาชีพอะไรพราหมทูลตอบว่าเล่นการพนัน ตัดถามว่าชนะหรือแพ้ทูลตอบว่าแพ้บ้างชนะบ้างพระตถาคตจึงตรัสสอนว่าพรามการชนะหรือแพ้การพนันหรือการชนะผู้อื่นไม่ประเสริฐเลยส่วนผู้ใดชนะตนคือชนะกิเลส ข, ของตนได้ผู้นั้นประเสริฐความชนะของเขานั้นไม่กลับแพ้อีกดังนี้แล้วทรงสื่อพระธรรมเทศนาต่อไปว่า อาตาฮาเวชิตังไสยโยเป็นอาธิมีนยะดังพรณนามาแล้วแต่ต้นชะนี้แล